ถามว่ารูปนี่จริงจริงเป็นสัจจะแต่ว่าสัจจะอันนี้เกิดจากปัจจัยเป็นสังขารธรรมเป็นสังคตาธรรมเป็นธรรมะที่เกิดจากสมุทฐานเกิดจากปัจจัยนั้นๆถามว่าถ้ารู้ปัจจัยดีละอะไรละกิเลสอะไรถ้ารู้ปัจจัยนี่ต้องละกิเลสได้นะทำไม่รู้ปัจจัยแสดงว่ญญาถ้ายังไม่รู้ว่าละกิเลสอะไรนี่แสดงว่ายังไม่รู้ปัจจัยถ้ารู้จากปัจจัยก็ละทิฏฐิที่ไม่มีเหตุ คือบางลทัทธิเข้าใจว่ารูปเหล่านี้ไม่มีเหตุเกิดลอยลอยใช่ไหมบางลทัทธินี่ว่ามันเกิดลอยลอยมันจะเกิดมันเองว่างั้นมันจะเกิดมันเองมันเลยเกิดเลยจริงหรือเปล่าไม่จริงใช่ไหมก็บอกว่าถ้ามันจะเกิดแล้วมันเกิดมันเองนะผู้ศาสนาเนี่ล้มหมดเลยใช่ไหมเพราะอะไรเพราะว่าถ้าไม่ไม่เกิดจากปัจจัยนะไม่มีพรธเจ้านะแล้วต่อไปว่าถ้ารู้จักรูปที่เกิดจากปัจจัยเนี่ยนะ ละความเห็นผิดประเภทที่มีเหตุไม่สม่ำเสมอบางคนนี่ไม่ได้เข้าใจว่ารูปเหล่านี้เกิดจากกรรมจิตอุตุอาหารนะแต่รูปเหล่านี้เกิดจากอย่างอื่นมีผู้สร้างสรรค์มันขึ้นเออคุณนี่ถูกสร้างมานะหน้าตาจึงไม่เหมือนกันเลยอ่ะ คนละสีเลยคุณเนี่ยถูกสร้างมาทําให้เสียงคุณแตกต่างกันมีหน้าตาแตกต่างกันผิวพรรณแตกต่างกันกลิ่นเนื้อกลิ่นตัวแตกต่างกันเพราะมีผู้สร้างมาจริงหรือเปล่ามันจริงมีผู้สร้างกลับเกิดจากปัจจัยคนละอย่างนะคนละอย่างมีผู้สร้างเพราะมันปฏิเสธผู้สร้างเพราะสิ่งเหล่านี้เกิดจากกรรมจิตอุตุและอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าขาดอย่างนี้เป็นไปไม่ได้การรู้ รูปอย่างนี้จริงๆเรียกว่ายาตะปริญญารู้จากวันนี้รูปแล้วละสกายะทิฐิได้ถ้ารู้วันนี้รูปเกิดจากสมุ ธ, ธานเกิดจากปัจจัยนั้นๆละทิฐิที่ไม่มีเหตุและมีเหตุไม่สมำเสมอได้เป็นตะทางค่าพระานตัวปัญญาที่เข้าไปรอบรู้เป็นทิฏฐิวิสุทธิกับกังขาวิตรณะวิสุทธิเป็นยาตะปริญญานะต้องไปรอบรู้อันนั้นจริงๆ <c oughs> คือถ้าใช้ธรรมดาทั่วไปเนี่ยนะถ้านั่งอยู่นี่นะ ใครไม่รู้กระทบโพธพพะบ้างในบรรดาคนที่มีธรรมะสีอย่างเนี่ยนะยกตัวอย่างนะถ้าถ้าจับดินสอเนี่ยนะจะรู้เท่ากันถ้ามีปัจจัยเท่ากันเช่นมีกายมีดินสอนนคือโพธพพะมีมนานัสิการกายวิญญาณก็เกิดได้ปัจจัยเกิดเท่ากันเนี่ยนะแนอุตุตอนนี้เนี่ยนะถ้าได้ปัจจัยคือกายคือโพธพภะมีมนสิการทุกคนเนี่ยจะได้รับอุณหภูมิเท่ากันชาติไหน ภาษาไหนก็รู้เท่ากันหมดแต่รู้อย่างนั้นเนี่ยถามว่ารู้อริยศาสตร์ได้ไหมเนี่ยนะเรต้องถามว่าอการรอบรู้สิ่งเหล่านี้เพื่ออะไรเป้าหมายของการรู้สิ่งเหล่านี้ที่สุดแห่งความวิชานี่คืออะไรนะที่สุดแห่งวิชานี้ก็คือเพื่อหลุดพ้นจากความไม่ถือมั่นเพื่อถอนอุปาทานทั้งสี่ถามว่าอุปาทานทั้งสี่มันไม่ดียังไงอะ่ะมันมีโทษยังไงอุปาทานเนี่ยทำไมจึงต้องถอนเขา เพราะว่าไอ้อุปาทานอันนี้ถ้ายินดีในอารมณ์ใดอุปาทานที่เป็นกามุปาทานอันนั้นแหละเป็นเหตุนําเกิดอุปาทานอันนั้นคือเป็นเหมือนกับแม่เพื่อปฏิสนธิในภพใหม่อันนี้คือเชื้อพิษอ่า ง, งั้นอันนี้เป็นเป็ น, ปนตัวที่ทําให้วัฏฏุกข์ไม่มีที่สิ้นสุดสัตว์ทั้งหลายที่เป็นไปในวัฏฏุก์เพราะมียวิชาเป็นเครื่องกางกั้นมีตัณหาไอ้กามุปาทานอันนี้แหละ ไปประกอบไว้ในอารมณ์มันเลยไม่พ้นจากวัตถุทุกอ่ะังนั้นไอ้ความติดในอารมณ์นั้นน่ะมันมีโทษอย่างนี้นี่แหละจึงต้องเห็นโทษจึงต้องละอุปาทานอันนั้นอน น, นเพราะว่าการรอบรู้สิ่งเหล่านี้ที่สุดแห่งการถอนอุปาทานคืออะไรอะไรธรรมะอะไรที่ทำให้ถอนอุปาทานได้ก็ต้องระดับนิพพานเป็นต้นแต่ทีนี้ชั้นต้นเลยเรารู้จากรูปโดยการนับและโดยสมุทฐาน โดยสมุทานอันนี้เขาเรียกว่าขยายตามแนวโคปาละกะสูตรยขยายตามแนวโคปาละกะสูตรที่ว่าพิกษุนผู้ฉลาดในรูปทีนี้ต่อไปว่ารู้จักเหตุเกิดของรูปเพราะอะไรเกิดรูปจึงเกิดเพราะอาหารเกิดรูปจึงเกิดถ้าหากว่าตามอัตกรถาปริวัติสูตร เพิ่งทราบว่ากะพลิงกะราหานที่เป็นไปกับฉันธราคะชื่อว่าอาหารในคําว่าอาหารสมุทยาเพราะอาหารเกิดรูปจึงเกิดนะอาหารด้วยฉันทราคะด้วยแสดงว่าท่านให้หนายเฉยๆเพราะฉะนั้นไอ้รูปอันนี้จะเกิดขึ้นจะดํารงอยู่แบบทุกวันเนี่ยนะสภาพแบบนี้ที่ดํารงอยู่เนี่ยนะในสันตติทั้ง4ี่คือกรรมสมุทฐานจิตตสมุทฐานอุตตสมุทฐานอาหารสมุทฐานเนี่ยนะสันตติสีที่สืบไปเนื่องแบบเนี้ย แต่เฉพาะกรรมสันตติก็มาแบ่งอีเป็นสายจากคราาูภาษาท่าโสตภาษาท่าคานาภาษาท่ชิวหาภาษาท่กายาภาษาทะอันนั้นก็สันตติแยกไปอีกกรรมก็มาแบ่งเป็นซอยอีกนะแต่ในชั้นต้นพยายามสรุปก่อนว่านี้คือนะถ้าถ้าเอาเอาบุคคลนาบุคคลหนึ่งมาตั้งก่อนนี่คือรูปและมหาพูดมหาพูตรูปและอุปาทายรูปแล้วซอยต่อไปว่าแต่ละอย่างเนี่ยทั้งหมดนี่มีกี่สมุตฐาน ในสมุทรฐานนั้นเช่นกรรมมาสมุทรฐานก็มาแบ่งเป็นกลุ่มตากลุ่มหูกลุ่มจมูกกลุ่มลิ้นกลุ่มกายกายก็ตั้งแต่คนละส่วนคนละส่วนคนละส่วนนี่คนละเรื่องคนละราวเลยนะคนละอันเนี่ยมันประกอบกันได้เอาถามมาอ้าวมาประกอบกันได้ยังไงก็ดูรถสิอะไรแต่ละชิ้นนี่เหมือนกันที่ไหนอะแต่ประกอบประกอบประกอบกันเป็นรูปรถได้เสียงว่ารถเพราะอาศัยองค์ทัพสามภาระหรืออะไรแต่ละส่วนมาประกอบกันเข้าที่เรียกว่า คนสัตว์นี้ก็อาศัยอวัยวะแต่ละส่วนแต่ละส่วนซึ่งเกิดแต่ละสมุทฐานแต่ละสมุทรานมาประชุมมาประกอบกันเข้าอันนั้นก็คนละสันตติคนละสันตติเหล่านั้นนั้นไปแต่เน้นพิเศษมากคือเน้นกรร ม, มสันตติเน้นกรร ม, มกรรมชรูปเพราะว่าไอ้ทุกทั้งหลายและเนี่ยนะเช่นศพเนี่ยนะถูกผ่าชำแหละหมดเพราะในนั้นไม่มีกรรมชรูปแล้วจึงไม่มีใครไปเสียใจกับศพเลยที่ถูกผ่าตัด แต่ถ้าคนเป็นเป็นยังมีกรรมมชรูปลองไปผ่าเขาดูสิยอมได้ที่ไหนใช่มเพราะนั้นกรรมชรูปเนี่ยสำคัญมากในบรรดาสมุทฐานเหล่านั้นนั้นเห็นไะหเพรา ะ, ะนั้นท่านจึงเน้นกรรมชรูปเป็นหลักก่อนกรรมมชรูปเหล่านั้นอาศัยอวิชาตันหาและกรรมกรรมอันนี้เป็นเหตุไกลเหตุไกลเพื่อการเกิดขึ้นแห่งรูปเหล่านี้อาหารคำว่าอาหารสมุทฐานเนี่ยนะ ไม่เฉพาะอาหารอย่างเดียวจิตตะสมุทฐานอุตุสมุทฐ า, านและอะไรอาหารจิตอุตุพวกนี้ช่วยเข้าไปอุปถัมพ์ซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นการเกิดขึ้นของรูปเพราะอาศัยปัจจัยเหล่านี้เหล่านี้รูปเหล่านี้จึงตั้งอยู่ได้เพราะรูปจะมีขึ้นเพราะปัจจัยเหล่านี้มีรูปเหล่านี้จึงมีอยู่ได้ถามว่าถ้ารู้ว่านี้รูปแล้วก็บอกว่านี้เหตุเกิดขึ้นของรูปถ้ารู้เหตุเกิดของรูปอย่างเงี้ยละกิเลร่ยรายได้ ถ้ารู้จริงๆต้องละกิเลสได้น ะ, ะละอุเฉททิฏฐิเนี่ยนะเพราะมันเกิดเนี่ยมันไม่ได้เสื่อมไปเลยใช่ไหมเพราะมันได้ปัจจัยมันเกิดตลอดได้ปัจจัยเกิดตลอดได้ปัจจัยเกิดตลอดมีปัจจัยอย่างนี้เขาก็มีอย่างนี้แต่ละที่อุเฉททิฏฐิไม่ได้เข้าใจอย่างนั้นเข้าใจว่าศูนย์เลยเพราะเขาไม่เห็นเหตุเกิดเข้าเลยคิดว่าศูนย์แต่ที่ไหนได้นะมันอาศัยเหตุเกิดมาเรื่อยๆนะอย่างชีวิตที่เรากําลังเป็นไปอยู่เนี่ยนะ เช่นถ้าสายกรรมไม่มาหล่อเลี้ยงไม่มีชนะ ก, กรรมทําให้เกิดไม่มีอุปธ ร, รมทกกรรมอยู่ไม่ได้แต่ถ้าดีกว่านี้ถ้าไม่มีอุปปีร ก, กรรมมาเบียดเบียนเนี่ยนะถ้าอุปเฉทกรรมมาตัดเรียบร้อยต า, อตาบอดเป็นต้นไปเลยตายเลยก็มีเนี่ยนะถ้าอุปคาอุปปีอุปเฉทกรรมหรืออุปคาตกรรมมาตัดรอน กรรมเหล่านั้นนั่นเนี่ยนะก็ด้วยอนุภาพแห่งตันหาเป็นต้นในอดีตนั่นแหละกรรมเหล่านั้นจึงมีผลอยู่ได้แต่ในขณะเดียวกันอยู่อย่างนี้ถ้าขาดอาหารอยู่ได้ไหมนะาสายข้าวสุกขนมสดต้องอบต้องนวดต้องฟันการบริหารอิรยาบถเป็นไป้าสิ่งเหล่านี้เลยทําให้อยู่ได้เลยแต่ถ้ารูปเหล่านี้นะถ้าเมื่อไหร่จิตใจห่อเหี่ยวรูปห่อเหี่ยวไปด้วยนะเออนี่อิทธิพลของจิตตชรุปเคยฉันาทานข้าแม่ไรหรือเปล่า จิตห่อเหี่ยว่อะไรเอ้ยข่าวปลาอาหารมีอะไรยสักอย่างไม่มีอะไรน่ากินสักอย่างเลยนะมันห่อเหี่ยวไปหมดแล้วชีวิตนี่มันทุกแท้ทุกหนอทุกหนอไอ้ทุกนี่มันทุกโทรศัพท์นะทุกแบบนี้มากๆตกนรกนะนะไม่ใช่ทุกแบบนี้บ่อยๆแล้วพ้นทุกนะทุกแบบนี้บ่อยๆถ้าใครปล่อยให้ทุกเหล่านี้เรื้อรังนะเป็นมะเร็งในความคิดเลยคันนี้รักษายากมากก็ต้องแก้ อย่าปล่อยให้ความเครียดหรือโทสะอันนี้เกิดมากๆใครที่เครียดบ่อยๆทุกบ่อยๆ บ, ย บ, ย บ, ยบาปมากใครยิ่งทุกมากบาปมากถ้าถามว่าบาปใครทำให้อ่ะมันได้ปัจจัยปัจจัยมันทำออแต่ว่าปัจจัยอันนี้ก็ตกนรกกว่จริงๆนะเพราะปัจจัยอย่างนั้นแหละปัจจัยบางอย่างน่ากลัวไหมน่ากลัวนะตัณหาซึ่งเป็นปัจจัยแห่งพบมันน่ากลัว คำสอนในพระผู้มีพระภาคเพื่อกําจัดไอ้ปัจจัยตัวนั้นน่ะจะเป็นต้นสปายะเจ็ดนะบุคคลไม่สปายะอุตุไม่สปายะอาหารไม่สปายะข้าวของเครื่องใช้ไม่สปายะกุสุรจิตเกิดยากเนี่ยเป็นภาระของการบริหารกุสุรจิตกุศลเนี่ยเป็นขันใช่ไหมเมื่อเป็นขันเนี่ยมันเป็นภาระทั้งนั้นแหละ ภาระที่บ้องอะไรเรียกว่าบริหารไม่ให้อกุศลมันเกิดบริหารให้กุศ ล, ลจิตเกิดอันพระองค์จึงบอกว่าขันเป็นภาระบริหารให้สุขเวทนามันเกิดต่อเนื่องก็ายากนะบริหารรูปขันนี่ก็นับว่ายากนะกว่าจะหาข้าวสุขนมสดมารอเลี้ยงในขนาดนี้บริหารสุขากายวิญญาณนี่ก็ายากบริหารสัญญาขันก็ายากโอบริหารสังขารและขันยิ่งยากใหญ่เลย เพระบสังขารแต่ละตัวแต่ละตัวเช่นบริหารศรัทธานี่นไม่ใช่บริหารง่ายบริหารสติบริหารสมาธิบริหารปัญญาบริหารอะฮิริโอตับะบริหารวิตกบริหารวิจารบริหารปีเต่อแต่ละอย่างบริหารยากทั้งนั้นเลยทั้นพ่อองค์บอกว่ามันภาระจริงๆนะขันแต่ละขันแต่ละขันแต่ละขันอย่างไอะไรมาบริหารขันอะไรเป็นเครื่องบริหารขัน เกขันนั่นแหละเป็นเครื่องบริหารกันเองเขาบอกอทุกอย่างเกิดจากปัจจัยไอ้ปัจจัยคืออะไรก็คือขันนั่นแหละเป็นปัจจัยอ่ะไม่มีขันยยข น, นะ น, นะเพราะฉะนั้นผู้ที่ปล่อยวางขันได้จึงเป็นสุขอย่างยิ่งบอกว่าปล่อยนะก็คือไม่มีอุปาทานในขันได้เป็นสุขอย่างยิ่งนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะรูปประขันเหล่านี้เนี่ยเพราะมีกรรม จริงท่านยกอาหารมาอันเดียวให้หนในเฉยๆเพราะว่ารูปจะตั้งอยู่ได้เพราะกรรมหนึ่งเพราะตันหาหนึ่งอวิชชาหนึ่งกรรมหนึ่ง อ, อกรรมวาไปอาหารหนึ่งและตัวรูปนั้นด้วยตัวข้อหนึ่งมาด้วยมาผสมกันเข้าเรียกว่านิพพัติลักษณะนะรู้ข้อหนึ่งรู้จักรูปรู้รูปพร้อมทั้งสมุทฐานหรือเรียกว่าปัจจยัยรู้เหตุเกิดของรูปเนี่ยกล่าวในระดับอุทยพย า, ยานนะ เรบอกรู้นี้ความเกิดขึ้นเกิดขึ้นของรูปเนื้อรู้แบบระดับอุทยพยัญญาถ้ารู้พร้อมทั้งปัจจัยเนี่ยอยู่ในข้อหนึ่งรู้ภูตรูปและรูปที่อาศัยมหาภูตรูปเนี่ยการรู้ใช้คําแค่นี้เรียกว่ารู้พร้อมทั้งสมุทฐานเรียบร้อยเรียกว่ารู้พร้อมทั้งปัจจัยนะรู้ความเกิดขึ้นของรูปเนี่ยนะเพราะอุปาทานอุทยพยญญาเนี่ยรู้ความเกิดและรู้ความดับ รูปเหล่านั้นเนี่ยนะถ้าขาดอาหารก็ดับใช่ไหมฉะนั้นถ้าตันหาวิชากรรมในอดีตหมดไปรูปเหล่านี้จะอยู่ไหมเช่นอุปอุปปีรัะกะกรรมหรืออุปคาตกรรมมาตัดชนะ ก, ะกรรมนะกรรมเหล่านี้รูปเหล่านี้อยู่ได้ไหมใช่ไหมของอย่างยกตัวอย่างที่ว่าไฟฟ้าเนี่ยมันอยู่ที่มันสว่างสว่างเนี่ยมันมีกระแสส่งมากรรมในอดีตนั่นแหละที่มันหมดไปแล้วนั่นแหละส่งมา เป็นปัจจัยให้รูปเหล่านี้ถ้ากรรมในอดีตถูกเบียดซะรูปเศร้าหมองทันทีเลยถ้ากรรมในอดีตมาตัดซะรูปนี้พร้อมที่จะเสียหายหมดทันทีเลยเอ่านะรูปเหตุเกิดของรูปความดับแห่งรูปถ้าสมุดฐานเหล่านั้นนั้นถ้าปัจจัยเหล่านั้นนั้นหมดไปรูปนี้จะอยู่ได้ไหมไม่ได้ถ้าตัดเชื้อแห่งการเกิดขึ้นแห่งรูปในอนาคตได้นะ ถ้าละฉันทะราค่าในรูปทุกรูปต่อไปเนี่ยจะมีรูปอีกไหมในอนาคตไม่มีนะเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่ารู้ความดับแห่งรูปเพราะความดับแห่งอาหารนี่ยก็คือดับตันหาดับอวิชาดับดับกรรมสมัมหมดเนี่ยนะรูปเหล่าอื่นๆจะไม่มีต่อไปอีกอริยมรักอันประกอบไปด้วยองค์8นี่แหละเรียกว่าปฏิปทาให้ถึงความดับรูปแต่ว่าดับ เขาได้จริงๆเนี่ยเมื่อไปดับชันทาราคะถ้าดับชันทราคะแบบโสดาปฏิมัก ร, รูปในภพที่แปดจะไม่มีอีกเลยเนี่ยนะภพที่แดจะไม่มีเลยนะถ้าโสดาปฏิมักดับ เ, เกิดขึ้นจะดับกิเลสที่เป็นเหตุให้ปฏิสนธิในภพที่แปดไม่มีอีกอริยมักเกิดขึ้นดับรูปที่เกิดในอบายภูมิอ่ะนะ อารยมรตโสดาปติมรตเกิดขึ้นก่อนจะละฉันทราคะที่เป็นเหตุให้เกิดในอบายละฉันทราฆะที่มาให้เกิดเป็นมนุษย์ในภพที่8อริยมรตเนี่ยตัดรูปพวกนั้นออกไปเนะดับรูปไปแล้วข้อปฏิบัติอันนี้ดับรูปถ้าสกาทาคามิมรตดับรูปพวกนี้ให้เหลือภพเดียวถ้าจะมาเกิดเป็นมนุษย์ครั้งเดียวมานาสูภพนี้ภพเดียวถ้ารู้อาอนาคามิมรต ไปตัดเหตุเกิดแห่งรูปชนิดที่ว่าไม่มาพบนี้อีกเลยโดยการปฏิสนธิถ้าอารหัตมรกไม่ต้องเข้าไปสู่พบใดๆทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นไออารยมรกนั้นอ่ะตัดความเกิดขึ้นแห่งรูปได้ทั้งหมดตามสมควรแก่มรกนั้นๆถ้าโสดาปฏิมร ก, ก็ตัดระดับตัดเหตุแห่งรูประดับโสดาปฏิมกสกท า, าคามีมร ก, ก็ตัดแบบ ส, สกท า, าคามีอนาคามีอรหันต์ก็ตัดแบบอรหันต์เพราะฉะนั้นไอ อริยมรรคอันประกอบไปด้วย อ, องค์8นี่แหละเป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้ถึงความดับแต่ว่าอริยมรรคมีองค์8ปนี่นะที่ที่เรียกว่าข้อปฏิบัตินั้นอริยมรรคจะดับกิเลสได้ต้องมีนิพพานเป็นอารมณ์จะต้องเบื่อหน่ายในรูปจริงๆ จ, งๆจึงจะตัดฉั้นธราคะได้ที่สุดแห่งรูปนั่นแหละเรียกว่านิพพานเนีย่ยนะเมื่อตัดฉั้นธราคะเหล่านั้นได้ทั้งหมดนนะที่เรียกว่าพูดโดยอริยสัจเรียบร้อยหมดแล้วนะ ทีนี้พิเศษเพิ่มเติมอีกว่าถามว่ารูปนี้มีคุณไหมรูปทั้งหมดเหล่านี้บอกว่าเรามีอาศัยรูปในรูปยี่สิบอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะอาศัยตาอาศัยสีอาศัยหัวอาศัยเสียงเป็นต้นเนี่ยทาให้เกิดสุขสมมาัตขึ้นสุขสมมนัตที่อาศัยสิ่งเหล่านี้นี่แหละเรียกว่าคุณหรืออาัศธ า, าแห่งรูปนะพระองค์บอกเลยนะถ้าไม่มีสิกท่าการเห็นเนี่ยนะ ทางการเห็นนะถ้าจากการเห็นไม่กอ่อให้เกิดสุขโสมนัสนะสัตว์จะไม่ติดเป็นแน่หูได้ยินเสียงถ้าไม evet. ่ได้รับสุขโสมนัสจากการได้ยินเนี่ยนะสัตว์ทั้งหลายจกไม่ติดเป็นแน่ถ้าได้รับกลิ่นเนี่ยนะถ้าไม่ได้รับสิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดสุขโสมนัสเนี่ยนะจะไม่ติดอีกอาหารถ้าไม่อร่อยนะไม่มีใครติดหรอกเจ้าเพราะอาศัยอาหารเนี่ยทำให้เกิดสุขโสมนัสอาศัยโพธิภพทำให้เกิดสุขโสมนัสเนี่ยนะอาศัย สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก่อให้เกิดสุขโสมนัสนี่แหละเรียกว่าอัศทะของรูปนี่แหละเครื่องฉาบทารูปไร่โลกเอาไว้เครื่องฉาบทารูปไร่สัตว์เอาไว้ก็อาศัยสิ่งเหล่านี้นี่แหละเพราะฉะนั้นอัศทะเขาอยู่ในฐานะแห่งสมุทัยศัตรูเพราะมีสมุทัยศัตร์นั่นแหละสัตว์จึงติดอยู่ในรูปเหล่านี้เพราะว่าไอ้ความเพลิดเพลินไม่ได้เพลินอยู่แค่นี้ใช่ไหมเมื่อเพลินในสีเท่ากับเพลินในภพเพลินในการเกิด เพลินในการมีตาเพลินในเสียงยินดีในเสียงก็เท่ากับเพลิดเพลินในโหเพลิดเพลินในจมูกในลิ้นในกายเป็นต้นเนี่ยก็เท่ากับเพลิดเพลินในพบที่มีสิ่งนั้นๆไปแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นฉันทราคะเหล่านี้เขาเป็นอัาธาเอ่อไม่ใช่สุขโสมนัสเป็นอัสาธะแล้วสุขโสมนัสเนี่ยนะโสมนัสเนี่ยเกิดร่วมกับจิตชนิดไหนส่วนใหญ่แล้วเกิดร่วมกับโลภมูลจิต อันโลภาพมูลจิตอันนั้นแหละเป็นสมุทัยสัตว์เพื่อการเกิดในพบพบใหม่ถามรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงนะไม่เที่ยงมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเขาบอกว่าใครเคยเห็นรูปใดที่อยู่สภาพเดิมไหมไม่มีนะเคยเห็นสีสีอย่างใดที่อยู่ในสภาพเดิมจักรคู่ภาษาตาใดที่อยู่ในสภาพเดิมมสีใดที่อยู่สภาพเดิมหูที่อยู่สภาพเดิม ทั้งๆที่แต่ละอย่างเขาเกิดจากสมุทฐานสมุทฐานสมุทฐานแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ไม่มีสิ่งใดที่อยู่ในสภาพเดิมได้แม้แต่สิ่งเดียวเพราะความที่เขาไม่ทนอยู่ในสภาพเดิมเพราะเป็นไปตามปัจจัยรูปประคันเนี่ยอยู่ที่ปัจจัยนะบางอย่างเขาเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันเองบางอย่างอาศัยปัจจัยจากภายนอกมาเมื่อปัจจัยเนี่ยเป็นตัวตบแต่งเขาเขาจึงไม่อยู่ในสภาพเดิมเลยเขาจึงไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นแหละเป็น สิ่งไรเป็นทุกข์นั่นแหละเป็นอนัตตาความที่เขาไม่เที่ยงแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเนี่ยนะถามว่ามีโทษหรือไม่มีโทษถ้าหากว่าบุคคลใดเข้าไปเพลิดเพลินในสีซึ่งไม่เที่ยงแปรปรวนเนี่ยนะถ้าเข้าไปเพลิดเพลินในสีนั้นผลของสิ่งนั้นคืออะไรทุกข์และโทมนัสเข้ามาเนี่ยนะเพราะความที่เขาแปรปรวนนี่แหละสิ่งที่เคยยินดีสิ่งนั้นเปลี่ยนไปแล้วนํามาซึ่งความ แปรปรวนทางใจกันแล้วนะก่อให้เกิดทุกข์และโทมนัสถ้าสิ่งนั้นเขายินดีมากเขาทุกข์มากถ้าเขายินดีน้อยเขาทุกข์น้อยพระองค์บอกว่าไม่เราไม่พิจารณาเล็งเห็นรูปใดที่ไม่เป็นที่อาศัยแห่งโศกปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตแม้แต่รูปเดียวไม่มีรูปใดที่ไม่ก่อให้เกิดทุกขโทมนัสอุปายาตแม้แต่รูปเดียวหาเลยนะ รูปไหนมั่งที่ไม่ก่อให้เกิดทุกโธมนัตและโอปายาตเราบอกเอ้ยฝุ่นไม่น่าใช่แต่ลองฝุ่นเข้าตาดูสิใช่ไหมก่อให้เกิดทุกโทมนัาานมน ต, นาตา ห, ม ห, มนหมดถ้ายิ่งเกี่ยวข้องกับคนเนี่ยนะท่านท่านยกตัวอย่างว่าในตักถานนะความที่รูปเนี่ยก่อให้เกิดทุกโธมนัตเนี่ยยกตัวอย่างในคัำพีที่อาจารย์สันชัยนะอาจารย์สันชัยนี่รู้นะใครอาจารย์สันชัยคืออาจารย์ของภาษาลีบุตร ความที่อาจารย์สรนชัยเนี่ยได้รับได้รับลาบสการะที่เกิดจากสารีบุตรหรืออุปติสสะปริภาชกนี่มากเพราะฉะนั้นนี่ก็มีความสุขอยู่กับศิษย์คนนี้ค่อนข้างสูงมากะนะเพราะว่าพออุปติสสะหรืออดีตของภาษาดีบุตรเนี่ยอยู่ในสำนักนี้ก็กอ่อให้เกิดลาบสการะอย่างมากมายมหาศาลตอนหลังภาษาดีบุตรเนี่ยฟังธรรมแล้วบรรลุเป็นพระโสดาบันพอบรรลุเป็นพระโสดาบันก็ไปชวนอาจารย์อาจารย์ก็บอกเออไปเถอะว่า ง, งั้นเถอะ ถามว่าคนในโลกนี้คนโง่มากเลยฉลาดมากหรือเป่าคนโง่มากเออพวกคนฉลาดไปหาสมณะโคดมพวกโง่มาหาเร า, างนั้นก็พูดไปอย่างนั้นแหละนะพูดด้วยความกล้ำกลืนใจนะก็คือเพราะว่าลูกศิษย์จะไม่ไปตัวเปล่าจะมาชวนเราไปด้วย อ, าอย้าวยังน้อยที่สุดก็อา้าไปคนเดียวพูดอย่างงี้นะตัดใจเอาทีนี้ภา ษ, าษาที่บ่นไม่ไปคนเดียวสิทา่าพวกไปด้วยห้าร้อยทันทีเลยอาจารย์สัญชัยพอเห็นปั๊บเนี่ยก็อักเลือดเลย มันคับแค้นใจชนิดที่ว่ามันกระอักเลือดเลยนะโอ้โหบริวารหายไปในเวตาเดียวห้าร้อยลูกศิษย์กลุ่มหนึ่งสงสารมากทันกลับมาเลยสองร้อยห้าสิบคืนนะบอกว่าไม่มีรูปอะไรที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งโสกะปริเทวะทุกขโทมานับและอุปายาตเพราะว่านี่แหละฉันทราคะ น, นับว่าสำคัญมาก น, นะ ในการที่อาจารย์กระอักเลือดเนี่ยนะสำคัญมากถึงต้องกลับเลยมันเพราะฉะนั้นทีนี้ในตัวอย่างนั้นเนี่ยนะถ้าเรามาดูรอบๆอบข้างเรานะอะไรมั่งที่ที่สูญเสียแล้วเราไม่เสียใจบ้างเอาในรอบๆอบตัวเราเลยนะถ้ามีมีรูปอย่างใดอย่างหนึ่งที่ต้องจากไปถามว่าทำใจได้ไั้มในทุกๆรูปเลยนะนับตั้งแต่สิ่งไม่มีชีวิตก่อนเยข้าวของเครื่องใช้ก่อนออถ้วยโถโอชา ม, ชามแตกเป็นต้น อสูงขึ้นมาอีกสัตว์ของเลี้ยงมากกว่านั้นอีกของใช้ประจํามากกว่านั้นอีกคนข้างเคียงมากกว่านั้นถ้าตัวต้องจากล่ะอวัยวะแต่ละส่วนค่อยผูกค่อยๆพังไปเนี่ยนะถามว่าทําใจได้ไหมล่ะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพระองค์จึงว่าเลยไม่มีรูปใดที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งโศกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปาญาตเนี่ยนะเป็นหมดเลย นะเพราะฉะนั้นถ้าไม่กําจัดฉันทราคะในรูปเหล่านั้นเนี่ยนะโอเสียใจอีกนาะนถ้าหวังมากเสียใจมากยินดีเพลิดเพลินกับอารมณ์มากเสียใจมากอารมณ์ใดที่ให้ความเพลิดเพลินมากอารมณ์นั้นก่อทุกข์ใจให้เรามากที่สุดอารมณ์ใดที่ให้ปมเครื่องเรามากฟังั้นด่าอารมณ์นั้นให้ทุกท่าประมาณไม่ได้อย่างเช่นร่างกายของเราให้ความสุขสมมานแต่จเรามากใช่ไหม แต่ถ้าบอกว่าเราต้องตายแล้วนะเอาไปชักยุ่งแล้วนะเนี่ยนะชักเดือดร้อนและเนี่ยนะถ้าฟังให้ดีนะแม้แต่เสียงธรรมต้องละฉันทราคะในเสียงเหล่านี้ต้องพิจารณาแม้กระทั่งว่าเสียงที่พูดเป็นธรรมะก็เกิดจากจิตเป็นสมุทฐานจิตนั้นอยู่สภาพเดิมไหมถ้าจิตไม่อยู่สภาพเดิมเสียงก็เกิดการเปลี่ยนแปลงไปตามนั้นนั้นด้วยจิตเกิดจากปัจจัยจิตปัจจัยทําให้มีจิตจิตทําให้มีเสียง เสียงก็เคลื่นเป็นสูงสู ง, สงต่ำๆแปลเป็นความหมายครั้งหนึ่งก่อให้เกิดสุขสมณัติอย่างมากปลื้มใจมากโอ๊ยนี่แหละธรรมะแล้วละ่ะอีกระยะหนึ่งโอ้ไม่ใช่ขอนธา ร, รมาเนี่ยประจำํำเลยแหละนะโอ้อันนี้ลึกซึ้งจริงๆเลยวันหลังอ้าวเข้าใจไม่ถูกอีกแล้วเป็นไงมันเปลี่ยนไปเรื่อยเชื่อเพราะฉะนั้นเมื่อเช้ายังคุยกับผู้การเลยว่ามีธรรมะยู่ข้อหนึ่งในโพธิปักจะธรรมเรียกว่าธรรมวิทยะสัมโพชฌง เรียกว่าอารมณ์ทุกอารมณ์ต้องเข้าไปวิจัยทั้งหมดเข้าไปวิจัยทั้งหมดนะแต่ว่าถ้าแค่นั้นเนี่ยเราพูดกันประจําอยู่แล้วแต่ที่นี้บอกว่าสองในโพชฌงค์บัพพาเนี่ยท่านกล่าวว่าเมื่อธรรมวิจยยสัมโพชฌงค์มีอยู่ณภายในจิตก็รู้ถ้าปัญญาเกิดขึ้นวิจัยก็รู้ชัดว่ามีปัญญานั้นเกิดขึ้นวิจัยถ้าปัญญาที่ไม่วิจัยก็รู้ชัดว่าไม่ได้วิจัยแล้วังไง ธรรมะวิจัยสามพ่อชองไอปัญญาที่วิจัยเนี่ยที่ยังไม่เกิดจะเกิดด้วยปัจจัยรใดๆต้องรู้ชัดด้วยต้องรู้ว่าทําไมจึงต้องปัดวิจัยไการวิจัยอันนี้เกิดจากปัจจัยได้บ้างโูการก็เลยยกตัวอย่างเลยว่าเขาบอกว่ามีโรงงานตั้งเพื่อวิจัยของเสร็จแล้วก็ตั้งบุคคลมาเพื่อวิจัยไอโรงวิจัยอีกครั้งหนึ่งว่าไงก็วิจัยในวิจัยว่าไงวิจัยตัวที่เข้าไปวิจัยว่าทําไมจึงต้องวิจัย ถ้าไม่วิจัยแล้วเสียหายยังไงถ้าวิจัยแล้วดียังไงวิจัยอันนี้จะจบสิ้นเมื่อไหร่ต้องรู้ด้วยน <laughs> ั่นนะธรรมะสามธรรมะวิจยะสมัมโพธชงนะในโพชชง ก, กั บ, บปพบะเออคิดคิดไปหูไม่ให้ติดสักอย่างเลยนะแล้วก็ยังชอบพุทธพจนะ์อ่ะพระองค์นี่รู้หมดเลยแต่พระองค์ไม่ติดในเวทนานั้นนั้นแปลว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ยึดติดในความรู้ที่พระองค์รู้เลยอะไรมั่งที่พระพุทธเจ้าไม่รู้ แต่ว่าพราะองค์ยึดติดในความรู้เหล่านั้นไหมไม่มีเพียงแต่รู้ว่าเออความรู้นี้ควรเจริญนะพระองค์แบ่งกลุ่มได้เลยว่าเออนี้ธรรมะควรรู้ยิ่งธรรมะนี้ควรละธรรมะนี้ควรทําให้แจ้งธรรมะนี้ควรเจริญพระองค์แยกกลุ่มแยกกลุ่มแยกกลุ่มได้พระองค์จึงไม่เห็นอะไรน่าสําคัญหมายสักอย่างเดยวน่าเข้าไปเพลิดเพลินลุ่มหลงหมกมุ่นอยู่ในอารมณ์นั้นนั้นเลยเพราะอารมณ์นั้นเกิดจากปัจจัย สิ่งใดที่เกิดจากปัจจัยถ้าบุคคลเข้าไปเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นเฉพาะใกล้ๆกับเสียใจแล้วล่ะแล้วเข้าไปเพลิดเพลินไอตัวเพลิดเพลินนั้นเป็นสมุทัยศัตร์แห่งการเกิดในพบใหม่อันนัถามว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตจริงๆของเราคืออะไรความเพลิดเพลินในใจของเราแหละน่ากลัวที่สุดเดี๋ยวนะถ้าความเพลิดเพลินอันนั้นไม่มีทุกข์ก็ไม่มีเอานั่งเสียใจเลยใช่ไหมงั้นไม่ใช่อันนั้นสุดยอดโง่เลย มันนั่งเสียใจยก็ผิดแล้วแสดงว่าเกิดจากผลพวงจากความเพลิดเพลินแล้วละ่ะถ้าเสียใจยเมื่อไหร่นะแสดงว่าเกิดจากผลที่เกิดจากความเพลิดเพลินเพราะฉะนั้นทํายังไงจึงจะ ก, กําจัดความเพลิดเพลินได้นี่แหละที่จะเข้าเรื่องว่าทั้งไหนละ่ะการกําจัดชั้นธาราฆในรูปเสียได้นี้เป็นอุบายเครื่องสลัดออกแห่งรูปกําจัดสภาพที่เข้าไปเพลิดเพลินในอารมณ์ แต่ท่านใช้คําว่ากําจัดละคำว่ากําจัดกับคําว่าละเนี่ยนะละมีกี่อย่างละละแต่ทางค้าประหารวิคัมพนประหารสมุเฉ ท, ทประหารปฏิปัสสธิประหารและนิสรณะประหารประหารเหล่านี้จึงจะสลัดออกจากรูปได้จริงๆระดับนิสรณะประหารนี่แหละจึงจะสลัดออกจากรูปได้จริงๆถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยอย่า ว, วังเลยดีนะ จะพ้นจากรูปบ้างก็แค่ 84% ดหมพันกับอันนี้ยาวที่สุดแล้วที่พ้นจากรูปได้นะคือพรมชั้นเนวสัญญาณาสัญญายาตนะแต่หลังจากนั้นก็ย้อนมาหารูปอีกเห็นไหมก็ต้องกลับมหารูปอีกหนีไปเถอะจะหนีไม่พ้นเลยอย่างมากก็แค่พักผ่อนได้ 84% ดหมพกับพ้นจากรูปเนี่ยนะไม่นานแปดหมื่กก 8, พนพกับนี่เทียบมานานไหมไม่นานเพราะอะไร เพราะว่าสังสารวัตรที่เวียนไหวามานานกว่านั้นตั้งเยอะเนี่ย น, นะโอ้ยนานไม่นานขนาดไห น, นคิดดูนะเห็นอะไรปั๊บดีใจเลยเห็นแล้วเสียใจเลยมันไวขนาดนั้นเนี่ยนะเราสะสมมาจนชํานาญขนาดนั้นเห็นปุ๊บอวิชชากเกิดเลยอะ่ะมันรวดเร็วขนาดนั้นนะเพราะโอสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะอยู่ในสังสารวัตรมานานถามว่าคำว่าสัตว์เนี่ยนะมีจริงไหม ถ้าพูดโดยสุตันตนายเนี่ยว่าสมมุติสัจจะกับประมตทสัจจะแสดงควบคู่กันไปถ้าไม่บอกว่าสัตว์เลยเอาแล้วใครอ่ะใช่ไหมขันห้าทีนี้ขันห้าเอ๊ขันห้าอายชั่วกลัวบาปไปฟังแล้วยุ่งเลยนะเพราะฉะนั้นพระองค์แสดงสมมติสัจจะก็มีเหตุผลว่าทําไมพระองค์จึงต้องแสดงเป็นสมมุติสัจจะเห็นไหมใช่ไหมบุคลาคาถาบุคคลคาถาที่เรียกว่าสัตว์เป็นต้นเนี่ยนะไม่ใช่พระองค์ไม่แสดงพระองค์ก็แสดงแต่เพื่อเหตุ ทําให้เห็นในเรื่องกรร ม, มสกตาเป็นต้น น, นะนะความที่สัตว์มีกรรมเป็นของของตัวนะเออขันมีกรรมเป็นของของขันเองเออฟังแล้วงงเหมือนกันนะเออเจตนาขันเนี่ยนะเจตนาคือสังขารขันเนี่ยมันให้ผลเป็นรูปประขันเพราะฉะนั้นขันเหล่านี้เป็นเหตุของขันเป็นผลของขันนะกลายเป็นว่าเอ๊ะมันชาวบ้านนี่ยก็ชักยุ่งแล้วนะท่อง ง, งเอ๊ะพระองค์นี้มายัางไงเนี่ยอ่าทีนี้ถ้าเลื่อนไปหาที่ รูปพอได้ไล้นะในเรื่องรูปเนี่ยนะ